กนั่งังที่ครบคะ่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสนิย์สนทนาและก็กําลังดําเนินสมาธิมาถึงจุดที่ก็ยังอยู่ในสมาธิกันอยู่ได้และรับฟังการสนทนาธรรมในช่วงที่นําเอาพุทธวจนะคือคําพูดของพระศาสดามาตอบคาถามโดยพระอาจารย์เพบุญอภิปุโนกันนะคะเรามากราบนมัส ก, การท่านพร้อมๆกันคะ่ะนมัส ก, การทัานคะ่ะเริญพาน สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้คุยกันชั่วชีวิตของเราเนี่ยหมดไหมคะโอ้โหคือประเด็นที่สําคัญของการที่เราจะรู้อเนซัตได้เนี่ยนะก็คือการที่เราเอาเอาข้อมูลนี้มามาจนกระทั่งตัวเองเป็นพระอาหารหันต์นั่นแหละแต่ประเด็นถ้าเรายังไม่บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ต้องคุยกันไปนั่นแหละนนจนกระทั่งข้ามภพข้ามชาติจนเมื่อไหร่ที่เราบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นแหละพอลําพังคุยอย่างเดียวนี่เป็นพระอาหารหันต์ได้ไหมคะคุยธรรมะไหมคะ คือความเป็นพระอรหันเนี่ยมันอยู่ที่จิตแต่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราพูดคุยไปมีการสากข์ฉาเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าอย่างนะที่จะทําให้ปัญญาที่ต้องมีในเบื้องต้นแห่งการที่จะเป็นพาาาระอรหันเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทําให้ปัญญาที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยจเจริญงอกงามขึ้นไปได้ด้วยนั่นคือการสากข์ฉานี่เองการที่เราพูดคุยกันนี่แหละก็เท่ากับว่าสากข์ฉานั้นทําให้เป็นพระอาหารหันก็ได้แต่ก็ไม่เสมอไปอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งก็ได้ ถูกต้องทีนี้ถามว่าการสากัจฉาต้องพาไปอะไรถึงจะทําให้เป็นพระอาารันได้เนะี่ยพระรูชาว่าก็บอกว่าถ้าการสากัจฉาแล้วนะทำไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะมีปีติมีปราโมจิตเป็นสมาธิปล่อยวางได้นั่นแหละมาถูกทางแล้วค่ะและถ้าสมมุติว่ า, าสากาัจฉาแม้สากัจฉานี่อันนี้ต้องพูดบ่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวท่านทางบ้านนี่ฟังแล้วงง ว่าสากัะชานีเป็นอะไรกับอิจฉาหรือเปล่าแต่สรุปแล้วสากระชาแปลอีกครั้งได้ไหมคะเอ่อคือการสนทนาพูดคุยสอบถามคำถามกันสนทนาพูดคุยสอบถามคำถามอันนี้เป็นพุทธวจนะด้วยไหมคะใช่สากระชาเป็นพุทธวจนะใช่พระพุทโธใช้คํานี้เลยนะคะถูกต้องอสนทนาธรรมกันเออเป็นแล้ภาษาบาลีค่ะการสนทนานั้นถ้าหากว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ต้องสนทนาแล้วสามารถที่จะ ละวางได้ถึ ง, งที่สุดนะค ะ, ะสำหรับเรื่องนี้ดิฉันก็เลยนึกถึงท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะฟังรายการวิทยุไิเจอในงานศพในงานศพเนี่ยเป็นงานศพที่อยากพูดถึงมากเลยจะอุทิศให้ทั้งวันเลยในการพูดถึงงานนี้เพราะว่านานๆที่จะเห็นอะไรแปลกๆแบบนี้สักครั้งหนึ่งคือผู้ตายเนี่ยพูดกับแขกที่มาในงานด้วย อืมนะครับพูดแบบขอบคุณแขกล่าให้ฟังความเป็นมาเป็นไปอ่ะค่ะแสดงว่ามีการเตรียมตัวมาลุงนะใช่ค่ะบังเอิญเป็นคนที่ตลอดเวลาที่ดิฉันได้รู้จักท่านมาเป็นคนที่มีความน่ารักเมียทิาายาสัยเมตรีย์ดีมากเลยนะคะแล้วเราก็ตกใจเพราะว่าเป็นการจากไปอย่างกระทันหัน อ, อายุก็มากกว่าเราไม่กี่ปีนะคะแต่ทีนี้ พอไปในงานศพก่อนที่จะเล่าเรื่องของท่านเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวดิฉันจะเล่าเรื่องแต่ตอนต้นรายการได้ไปพบแขกที่ว่าเนี่ยเล่าเรื่องแขกก่อนแขกท่านนี้ก็ฟังรายการฟังท่านพิบูลนี่แหละ oh. แล้วก็ฟังต่อไปอยังทางอินเทอร์เน็ตที่บันทึกรายการนี้ย้อนหลังด้วยก็ฝากมาบอกท่านพบูลบอกว่าเอ๊ะทำยังไงดีถึงจะรู้ว่าตอนไหนมันเป็นเรื่องอะไรท่านจะตอบยังไงคะ oh. <laughs> เออก็คงจะต้องคือตอนเนี้ยแหมถ้าถ้าเป็นไปได้อะนะคือฟังมีใครฟังแล้วก็ใส่แท็กให้หน่อยแท็กว่าแท็กเรื่องนี้มันเกี่ยวเรื่องอะไรให้ให้ดาวด้วยว่ากี่สตาร์กี่ดาวเฟรนด์เท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะทำรรวมเป็นอัลบั้มคือตอนเนี้ยเออเราก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลไว้นะส่วนการที่จะมาแยกจัดหมวดหมู่เนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะคือตัวคนเดียวมันก็ทําได้เท่าที่ทําได้นะแต่ถ้าผู้ฟัง เข้าไปใน h e w l t h m a c o m ของท่านแล้วไปฟังแล้วก็จะสรุปให้ชื่อตอนได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านถูกไหมคะใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นใจนะคะดิฉันเองก็ทำไม่เป็นงั้นก็จะช่วยท่านเพบูยนะคะไม่ค่อยสันทัสเท่าไหร่แค่ทำได้เท่านี้ก็ต้องถือว่าทำได้มากแล้ว <laughs> จะพยายามทำต่อไปนะคะแต่ว่าคงจะต้องว่วงเวลาเนี้ยขอแรงกันว่าขอให้ได้โปรดเข้าใจ ทีนี้ท่านฟังทุกวันดิฉันเลยจําเป็นต้องมาถามในรายการอย่างเงี้นะคะอ่าคําถามของท่านอีกคาถามในน่าสนใจสําหรับทุกท่านเลยาพรผะว่าฟังรายการก็เห็นสนทนากาันว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากยศพุทธว จ, จนะเต่าตาบอดอืแต่ผมสงสยัยก็มนุษย์เกิดยากทําไมมนุษย์ในโลกใบนี้มันมากขึ้นทุกวันจนเกิดความกังวลว่าอีกหน่อยเนี่ย โลกมันจะรองรับปริมาณของมนุษย์ไม่ไหวโอใครมันมาเกิดเหรอคะท่านคะเอ่อเอ า, เอา เ, อาเอาเปรียบเทียบกันก่อนนะค่ะเอ่อระหว่างมนุษย์นะกับเอาแค่เอ่อมดมดนะมดม ด, มดปลวกเนี่ยค่ะเอ่อมดเนี่ยมันมีจํานวนมากกว่ามนุษย์จริงนะเอาเฉพาะมดทั้งโลกมาก็พอค่ะมดทั้งโลกมดที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเอามดทุกตัวที่อยู่ในประเทศไทยโอ๊ยมีจํานวนมากกว่าคนไทยมันต้องเป็นโอ้ไม่รู้กี่เท่าค่ะนะ หรือว่าบางทีมดแค่เฉพาะที่อยู่ในเขตไทยนะเอาเขตที่ว่ า, าบัดข้าวเกี่ยวกันกัมพูชาอะไรเขาอาจจะมาเคลมทีหลังก็ไม่เอาปาดออกนะเอาเฉพาะมด ท, ที่อยู่ในบริเวณประเทศไทยจริงๆเนี่ยนะบางทีมากกว่าคนทั้งโลกด้วยซ้ำถามว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยผู้ชาเปรียบเทียบนะระหว่างสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานนี่มากกว่ามากนี่เรายังไม่ได้พูดถึงสัตว์เดรัจฉานสัตว์พวกที่อยู่ในทะเลนะสัตว์ที่อยู่ในทะเลเนี่ยมากกว่ามันมากนะัก นะนั่นก็เพราะว่าไม่รู้อริยสัจสี่นะถ้าเราจะมาเปรียบเทียบจํานวนเนี่ยโอโ้มากกว่ามากเลยคุณโยมติมากมา ก, มากจริงๆนะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามนุษย์มันจะมากขึ้นก็จริงอยู่นะแต่มันมันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ อ, อริยสัตสี่เมื่อเปรียบเทียบกับพวกสัจจะฉาน <Okay. S 1> ถามว่าสมมติว่าพระเจ้าเคยเดินไปอย่างนี้แล้วก็เอานิ้ว่ะเล็บของพระองค์เนี่ยนะเกี่ยวดึงขึ้นมาหน่อยเล็บก็สั้นๆนะพระห้ามไว้เล็บยาวอะไรที่มันติดนิ้วขึ้นมาเนี่ยนะ ถามว่าไปเปรียบเทียบกับผืนแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระเจ้าก็พระสงค์ก็ทั้งหลายก็บอกว่าโอ้แผ่นดินนี่มากกว่ามากแน่นอนแต่ผู้เจ้าบอกนี่แหละในเปรียบเทียบกันระหว่างสัตว์ที่มันเกิดเป็นมนุษย์กับสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยพวกอบายพวกอะไรต่างๆมากกว่ามากนักถามว่าเอาต่อให้สิบนิ้วเลยเขี่ยขึ้นมาคุณยมติวสิบนิ้วเขี่ยขึ้นมาเอาฝุ่นติดปลายเล็บทั้งสิบนิ้วอ่ะมันก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบกับผืนแผ่นดดิินนนนท้้้งง่่่ไะะะๆีีมาาาากกกวเออ ต่อให้คนบนโลกนี้ตอนนี้หกพันล้านใช่ไหมเพิ <crates eties> ่มเป็นหกสิบพันล้านก็ต้องเป็นหลายหกหมืนล้านนะก็ยังไม่เท่ากับสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในอนบายค่ะนมากกว่านั้นมากนะค่ะทีนี้ต้องถามต่อค่ะเพราะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังท่านนี้กับท่านอื่นๆก็อาจจะบอกว่ายังไม่ชัดเจนอนะคะรู้ว่าอัดต่อให้คนเกิดมากเท่าไหร่สัตว์เดรัจฉานนี่มากกว่าอีกแสดงว่าคนที่ไม่รู้อริยสัจสี่สิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้อริยสัจสีแล้วยังต้อง เวียนว่ายอยู่ในภพภูมิแบบนั้นเนี่ยมีเยอะกว่าทีนี้ที่กลับเรียนถามว่าก็ในเมื่อมนุษย์เกิดยากมนุษย์เมื่อก่อนมีน้อยกว่านี้ใช่ไหมคะ ม, มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีโอกาสที่จะปฏิบัติตามมารกได้ถูกไหมคะใชะ่ถึงได้พยายามที่จะไม่ให้มนุษย์เนี่ยตกต่ำไปกว่าความเป็นมนุษย์เพราะจะกลับมาเกิดใหม่มันยากที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะ ทีนี้ในเมื่อถ้าหนึง่งหนึ่งคนตายไปจะกลับมาเกิดใหม่เนี่ยเป็นคนดีๆปฏิบัติตามธรรมระดับหนึ่งยังไม่หลุดพ้นเนี่ยมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ <Therap y. S 2> น่าจะกลับมาเกิดเป็นหนึ่งเดียวแต่ทําไมปริมาณของมนุษย์จึงเพิ่มมากเหลือเกินคือคือคติ <S <S <up il> ที่จะมาถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีได้ทุกทิศ ท, ทุกทางนะบางทีสัตว์นรกก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีแต่บางทีเทวดาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีบางทีมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มี แตที่พระเจ้าพูดถึงยากยากยากเนี่ยก็คือเจ้าพวกที่เข้าถึงอบายแล้วนะสัตว์เดรัจฉานอบายที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้ยากมากนะทีนี้เรามาดูสิว่าในในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยพระเจ้าเคยพูดถึงนะสัตว์นรกเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ในอบายเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ในสกุลที่ต่ำนะมีอุปกรณเ์เครื่องใช้สอยน้อยนะมีวรรณะไม่ไม่ดีนะมีวรรณะซามนะเราก็จะทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ แล้วปัญห า, าว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนดีหรือคนชั่วมากกว่าวเรากำลังพูดถึงคนชั่วจริงๆนะชั่วมาตั้งแต่เกิด่นะไม่ใช่ว่าดีๆอยู่แล้วถูกเพื่อนชั่วลากไปน ะ, ะมันมันมีเยอะนะคุณยมติวนะมีเยอะนะแล้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็พอจะเดาได้ว่าอ๋อพวกนี้มาจากอบายมาเกิดเป็นสัตว์นรกมาเกิดหรือชิงสัตว์อื่นมาเกิดแหมพูดแรงไปผมไม่รู้ท่านคะถ้า <laughs> อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวดิฉันก็คิดว่าต้องถามต่อนะคะว่าการที่สัตว์นรกจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องทําอย่างไร ก็เกิดยากต้องต้องใช้กรรมให้หมดเท่านั้นเองเนี่ยหมดวาระการใช้กรรมสมมติเขาจำคุกคุณสิปีอย่างเงี้ยปีที่สิบเ็ดคุณก็ออกมาได้ก็แค่นั้นเองก็หมดวาระเขาอ๋อคือเหมือนว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์นรกก็ยังมาเกิดได้ได้ได้แต่ว่าจะเกิดไม่ค่อยดีนักมีมีสุทิสิทธิ์มากทีเดียวค่ะทีนี้เทวดาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไมคะได้ได้ แล้วเทวดาทําไมเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าสูงขึ้นหรือตกต่าลงคะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือมันอยู่ในแดนเดียวกันนะคือแดนก็เรียกว่าสุคติภูมินัปปุเจ้าเคยแบ่งเป็นสส่วนนะทุกติกับสุคติแลนะ้ทุกติเนี่ยคือตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตสุรก า, ายพวกนี้เป็นทุกตินะสุคติก็คือตั้งแต่มนุษย์นะมนุษย์นี่เราเราดูแค่มนุษย์เนี่ย ก็ยังจะมีพระพุทธเจ้าแบ่งอย่างนี้ว่ามนุษย์ที่อยู่ในเคราะบดีมหาศาลเป็นพระมหาศาลเป็นกษัตริย์มหาศาลมหาศาลนี่หมายความว่าเป็นสกุลที่ใหญ่โตในะมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากมีทรัพย์มากมีวันนักงามพวกนี้เป็นพวกที่ไฮโซไฮโซว่างั้นนะคะ่ะหมือ so, ถึงว่าไม่ใช่ไฮโซที่เขาอยู่ในปัจจุบันแต่ว่ามีการศึกษาดีมีทรัพย์สินเงินทองดีอย่างน้อยยังยังดีมีความรู้นะฝ่าฟันตัวเองขึ้นมาได้อนี้พวกอยู่ในสุคติท่างนั้นเลย แต่มนุษย์ที่เป็นทุกขติก็มีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาพวกนี้มารวมกันในเวลาอธิบายถึงสุขติเนี่ยจ ะ, จะพูดถึงมนุษย์ที่อยู่ในระดับมหาสารแล้วก็เทวดาขึ้นไปทั้งหมดนี่นจะเป็นสุขติ อ, อ๋อค่ะอ๋อแต่เทแต่ถ้ามนุษย์ระดับที่อยู่ทุกขติเนี่ยยังมีมนุษย์อยู่แต่ไม่ใช่มหาศารพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้บอกว่ามนุษย์พวกนั้นเนี่ยเป็นทุกขติหรอกนะคือคือตรงนี้จะเว้นวรกเอาไว้แต่มาก็เคยคิดคิดเล่นๆเหมือนกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าเว้นวักเอาไว แต่ก็ไม่เป็นไรมนุษย์ก็คือมนุษย์อะไรนะอดีก็มีไม่ดีก็มีแต่แต่ที่จัดไว้ว่าดีเนี่ยคือพวกที่อยู่ในสกุลมหาศาลนะอันนี้ดีแน่นอนแล้วก็จะอยู่ในระดับเดียวกับเทวดาใช่อยู่ในสุขติใูมเดียวกันเรียกว่าสุขตินี่คือประเด็นที่ท่านพิบุนกําลังพยายามอธิบายเรื่องเทวดาทีนี้ว่าที่อาตมาไม่ได้คิดต่อเนี่ยเพราะว่ามันสอดคล้องกับปุถุวชนะอื่นๆอย่าที่บอกว่ามามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดนี่ก็มี เพราะนั้นถ้าเรา ม, ามืดนะเกเรสคุณตามคุณใบสว่างก็ได้ไม่มีปัญหามันก็จะสอดกลองกับพุทธวจนะตรงนี้อดังนั้นนี่สรุปได้เลยนะคะว่าต่อข้อสงสัยของท่านผู้ฟังที่ฉันไปเจอในงานศพที่วัดธาทองนี้อืว่าทําไมในเมื่อการเกิดเป็นมนุษย์ยากมนุษย์ตายไปหนึ่งถึงได้เกิดสองวันนี้โลกกําลังจะมีมนุษย์ล้นโลกท่านพิบูลนก็ตอบตามพุทธวจนะว่าพระาศาสดานั้น ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นมนุษย์ตายแล้วถึงจะกลับมาเป็นมนุษย์เท่านั้นมนุษย์อาจจะไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ในขณะเดียวกันในโลกใบนี้ทุกขติมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ทั้งนั้นถ้าหากว่าเขาพ้นวาระของขติที่เขาเป็นอยู่ในขณะนั้นขติในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าพบขณะนั้นเป็นอะไรถูกไมคะใช่ใชเช่นเป็นสัตว์นรกถ้าพ้นจากความที่จะต้องเป็นสัตว์นรกแล้ว คนทุกอย่างนั้นก็มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ถูกต้องในขณะเดียวกันเทวดาก็มีโอกาสเกิดเป็นคนที่ฉันจำเลือนลางเรือนหลางอ <ừ> ว่าเทวดาเนี่ยปรารถนาอยากเป็นคนตามพุทธวจนะเคยตรัสไปไหมคะเอออันนี้ไม่ได้มีบอกนะอันนี้เป็น เ, <อ>เป็นความเห็นของบางคนเท่านั้นเองนะที่พูดถึงว่าคือเทวดาเนี่ยมันเป็นผู้ที่เอิบพิ่มด้วยกรมบุญทัางหเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไป ไ, ได้ที่จะหลงไปในกรรมคุญเหล่านั้นแล้วก็ลืมสร้างบุญสร้างกุศล ในขณะที่บางคนก็มีความเห็นอย่างนั้นน่ะนะอทั้งนี้ก็ต้องถามคุณยมติว่าว่าเกิดเป็นคนในออชนชั้นกลางหรือเกิดเป็นคนในคนรวยเป็นไฮโซดีกว่าเดี๋ยวบางทีเราก็จะเป็นคิดว่าอถ้าเกิดเป็นไฮโซจะไปเดินห้างช้อปปิ้งอะไรต่างๆตามแรกก์กระดินก็คงจะยากแะ้วฉันเป็นคนชนชั้นกลางดีกว่ามันก็บางคนก็มีความเห็นอย่างนี้อ๋อคือถ้าถามดิฉันวันนี้เนี่ยเพิ่งไปงานศพที่ไปแล้วเสะเทือนใจมาใหม่ๆมาดๆเดี๋ยฉันต้องพูดคําพระพุทธองค์เลยนะคะอื ความเกิดเป็นทุกข์ร่ําไป ท, ท่านตรัสไหมไหมคะหรือตรัสไปแต่ความแก่เอ่อความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกาชาตินความเกิดเป็นทุกข์ร่ําไปทุกชาติเห็นไหมคะความเกิดเป็นทุกข์ร่ําไปทุกชาติถ้าศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆดิฉันว่าท่านไม่อยากเกิดเป็นไฮโซโลโซนะคะ <c oughs> อยากอยากเกิดเอ่ออย่างเดียวคือเกิดมาแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องเกิดอีกใช่ ทุกคนเกิดมาเป็นอะไรในความเป็นมนุษย์สามารถไหมคะที่จะไปใกล้ถึงการไม่ต้องเกิดอีกออถูกต้องเพราะว่าถ้าเราอยู่บนมาร์กกันนะจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นเทวดานี่คุณสามารถเดินตามมาร์กได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินตามมาร์กไปแล้วเราจะสูบไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งนะซึ่งไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายนะไม่มีความโศกเศร้ารำพันใดใดสิน้นบางท่านอาจจะเกิดความคิดในใจว่า จะอยู่ไปทําไมกับชีวิตเสง่ยเสง่ยท่านอย่าเพิ่งตอบนะคะขอกราบอาราธนาให้ตอบตรงนี้เพราะเวลาจะหมดตอบอันอื่นค่ะได้ๆด้ค่ะกราบนรัตการขอบพระคุณท่านไพบุญอภิปุโนโจากวัดป่าดอนายโุดรธานีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ ะ, คะท่านฟังค่ะท่านฟังคะเป็นประโยชน์มากนะคะกับการที่ได้ทราบว่าอ๋อการที่สนทนาทำไปเนี่ยในขณะที่ดิฉันไม่สงสยัยแต่ท่านฟังอย่างสงสยัยและความสงสัยของท่านที่เป็นความสงสัยที่ ถ้าใช้ภาษาแบบวิวานันต์ันเจิดมากนะคะเพราะว่าเอาพอคิปตามจริงเนาะทาไมเราไม่สงสัยตรงนี้น่ารู้จะตายไปช่วยกันนะคะช่วยถามคําถามมาส่งไปที่เพียวธรรมะ .com/106 ของท่านพิบูลหรือว่าจะส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งเราแจกหนังสือที่ท่านอาจารย์คริสตีโสติพโลได้มอบให้เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องหลักเพราะอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงคําของภาษาสดา ที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีประโยชน์มากแล้วก็ช่วยจริโลงให้ศาสนาอยู่ยาวนานเพราะไม่คลาดเคลื่อนคือพุทธวจนะนะคะที่เบอร์0 2 2 6 9 0 0 0ส6และก่อนที่จะจบรายการไปดิฉันขอประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการบุรณะปฏิสังขรณสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าคือลุมพินีที่ขณะนี้กำลังรณรงค์บอกบุญให้ท่านทาบุญแผ่นทองเพื่อไปหล่อพระพุทธเจ้าน้อย ตัวแผ่นทองเองมีสองส่วนส่วนหนึ่งให้ท่านเขียนชื่อท่านที่จะไปหลอมเป็นพระพุทธเจ้าน้อยให้คนกราบไหว้ก่อนไปสักการะไปนำมาสการสถานที่ประสูตรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพุททวชนะเป็นคำตรัสคำแรกที่พระพุทธองค์ประสูตรมาแล้วตรัสไว้อาสภิวาจานะคะประกาศความที่จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปพ้นจาก ระบบของความทุกข์ไปเลยของพระพุทธองค์ซึ่งทางศาสนาพุทธก็ถือว่า ศ, าศักดิ์สิทธิ์ที่ท้องสนามหลวงเขาก็เปิดให้บูชากันไปแล้วตอนนี้ก็จะไปตามหัวเมืองต่างๆของกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะได้นำเงินที่ได้ไปบูรณะในโครงการระยะที่สามีทั้งห้องนะ้ามีทั้งสถานพยาบาลค่ะ<อ>วันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพุทธวสวัสดีค่ะ